ฉิมพลีจะมหาเทโรยักขาเทวาพิปูชิโตโสระโหปัจจัยทิ่มหิอหังวันทามิสับ พ, พธาฉิมพรีจะมหาเทโรยักขาเทวาพิปูชิโตโสระโหปัจจัยทิ่มหิอหังวันทามิสับ พ, พธา ชิมพลีจะมหาเทโรยักขาเทวาภิปูชิโตโสระโหปัจจะยาทิมหิตอะหังวันธามิสัพพธา ฉิมพรีจะมหาเทโรยักขาเทวาพิปูชิโตโสระโหปัจจญทิมหิอหาังวันทามิสร พ, พธาฉิมพรีจะมหาเทโรยักขาเทวาพิปูชิโตโสระโหปัจจญทิมหิอหาังวันทามิสั พ, พธา ชิมพลีจะมหาเทโรยักขาเทวาภิปูชิโตโสระโหปัจจะยาทิมหิอะหังวันธามิสัพพธา ฉิมพลีจะมหาเทโรยักขาเทวาพิปูชิโตโสระโหปัจจยาทิ้มหิอหังวันทามิสัพพธาฉิมพลีจะมหาเทโรยักขาเทวาพิปูชิโตโสระโหปัจจยาทิ้มหิอหังวันทามิสัพพธา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 ฉิมพัลีจะมหาเทโรยักขาเทวาภิปูชิโตโสระโหปัจจะยาทิมหิตระหังวันทามิสัพพธา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 ฉิมพรีจะมหาเทโรยักขาเทวาพิปูชิโตโสระโหปัจจยาทิมหิอาหาังวันทามิสัพทพาฉิมพรีจะมหาเทโรยักขาเทวาพิปูชิโตโสระโหปัจจยาทิมหิอาหาังวันทามิสัพทา ชิมพลีจะมหาเทโรยักษ์ขาเทวาพิปูชิโตโสระโหปั จ, จยาทิมหิอหังวันธามิสัพพธา